เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเสริมศรัทธาความเชื่อภาษาท้าความเลื่อมใสให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองของชีวิตจิตใจของพวกเราต่อการอยู่พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเพราะถ้าเรามีความเชื่อเราก็จะได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพอเราปฏิบัติเราก็จะได้นับผล อย่างที่พระพุทธเจ้าได้สงรับก็คือได้เจริญก้าวหน้าทางจิตใจจนถึงขั้นสูงสุดคือได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับความสุขประมังสุขขังความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสือ่อม แต่ถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อในพระธรรมคำสอนในพระพุทธเจ้าในพระอาหารหันตสาวกเราก็จะไม่ปฏิบัติตามพอเราไม่ปฏิบัติตามเราก็จะไม่ได้รับผลอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันดังนั้นถ้าเราอยากจะเกิดความเชื่อ เราก็ต้องหวนฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็มีปัจจัยสำคัญสองส่วนด้วยกันคือผู้เทศกับผู้ฟังผู้เทศก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ความจริงรู้ธรรมะอย่างแท้จริงผู้ที่จะรู้ธรรมะอย่างแท้จริงได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบคือเป็นพระสุ ป, ปฏิปันโน ถ้าไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่ได้อ่านตามตามตามตำร า, วาความรู้ที่ได้จากตำตำรานี้ยังไม่ถือว่าเป็นความจริงเพราะใจที่อ่านนี้ยังมีของปลอมคอยอคอยกีดกันความจริงให้เข้าสู่ใจของผู้ศึกษาของผู้อ่านทำที่เข้าไปในใจก็จะถูกความปลอมนี้ แปลงให้กลายเป็นของปรอมไปพอแสดงธรรมให้แก่ผู้อื่นก็จะไม่ได้นำธรรมแท้ธรรมจริงออกมาเพราะว่าภายในใจมีของปลอมอยู่นั่นเองการแสดงธรรมจริงก็จะไม่เกิดประโยชน์จะไม่ทำให้เกิดศรัทธาจะในจากผู้ที่ฟังดังนั้น ผู้ที่แสดงธรรมจำเป็นจะต้องเป็นผู้ที่รู้ธรรมรู้จริงเห็นจริงถึงจะสามารถแสดงธรรมะให้เกิดความประทับใจให้เกิดศรัทธาแก่ผู้ฟังได้ผู้ที่มีความรู้จริงเห็นจริงนี้ก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขึ้นไปคือขั้นพระโสดาบัน พระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ท่านได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจนปรากฏดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นความจริงตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นทรงรู้แล้วนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนพอรู้จริงแล้วเวลาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น ก็จะสอนได้อย่างถูกต้องแม่นยานี่คือผู้ที่แสดงธรรมเป็นเหมือนคนบอกทางคนที่จะบอกทางได้อย่างถูกต้องแม่นยาต้องเป็นคนที่เคยเดินทางไปแล้วถ้าไม่เคยเดินทางไปเพียงแต่ดูแผนที่หรือได้ยินได้ฟังจากคนอื่นก็อาจจะบอกไม่ถูก เวลามาถึงสียแยกอาจจะบอกให้เลี้ยวผิดทางไปก็ได้เพราะตนเองไม่ได้เดินทางไปแล้วเวลาได้ยินได้ฟังมาก็อาจจะฟังแล้วก็จาผิดจำถูกเขาบอกให้เลี้ยวซ้ายแต่ไปจำว่าให้เลี้ยวขวาพอไปบอกคนอื่นก็จะบอกผิดทาง แทงที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะศึกษาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดศรัทธาประสาทขเกิดความประทับใจหายสงสัยในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ต้องเข้าหาผู้ที่รู้จริงเห็นจริง คือต้องศึกษาจากพระสุปฏิปันโนทั้งหลายคือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระาอารหันต์เท่านั้นเราจึงจะได้ของแท้ถ้าเราศึกษากับผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราจะได้ของปลอมเวลาเราฟังแล้วเราก็จะไม่เกิดศรัทธา เราก็จะเกิดความลังเลสงสัยนี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเราจึงต้องเลือกหาผู้ที่รู้จรงิงเห็นจรงิงฟังจากท่านเหล่านั้นอย่างที่ญาติโยมในสมัยนี้มักจะไปแสวงหาครูบาอาจารย์ตามวัดป่าต่างๆเพราะวัดป่าต่างๆเหล่านีน้เป็นที่เกิดของพระอริยบุคคล ขั้นต่างๆพระที่อยู่ตามบ้านตามเมืองนี้มักจะไม่เกิดอริยบุคคลขึ้นมาเพราะว่าสถานที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมนั่นเองจึงไม่ค่อยปรากฏมีพระสุปฏิปันโนอยู่ตามบ้านตามเมืองตา่างๆส่วนใหญ่จะอยู่ตามป่าตามเขากันผู้ที่ต้องการศึกษาความจริง จึงต้องเดินทางไกลไปตามป่าตามเขาถึงจะได้พบกับธรรมแท้ธรรมจริงแล้วก็จะทำให้เกิดศรัทธาที่แน่วแน่แนต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะมีการปฏิบัติที่แน่วแน่ตามมาต่อไปเมื่อมีศรัทธาที่แน่วแน่มีการปฏิบัติที่แน่วแน่ผล ที่แน่ผลจริงก็จะปรากฏขึ้นมานี่คือส่วนของผู้แสดงธรรมต้องเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนถึงพระโสดาบันลองลส่วนส่วนผู้ที่ฟังนี้ก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันผู้ฟังฟังแบบไหนฟังแบบทับทีในหม้อแกง หรือฟังแบบลิ้นกับแกงถ้าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงก็จะไม่รู้รสของธรรมที่ได้ยินได้ฟังฟังอย่างไรจึงเรียกว่าฟังแบบทัพพีในหม้อแกงก็ฟังแบบว่าไม่มีสติสตันฟังแบบไม่มีศีลคือความสงบทางกายทางวาจาฟังแบบไม่มีสมาธิคือความสงบทางใจเช่น เวลาฟังธรรมก็ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ควบคู่กันไปหรือนั่งคุยกันหรือนั่งคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาฟังธรรมก็จะได้ยินแต่เสียงที่จะเข้ามาในหูซ้ายแล้วก็จะออกไปทางหูขวาจะไม่เข้าไปในใจเลยเมื่อไม่เข้าไปในใจก็จะไม่เกิดความเข้าใจก็จะไม่เกิดความประทับใจ เกิดศรัทธาเพิ่มขึ้นนั่นเองดังนั้นผู้ฟังถ้าอยากจะฟังให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายก็ต้องนั่งเฉยๆวาจาก็ไม่พูดไม่คุยกันใจก็ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจจดจอ่ออยู่กับเสียงธรรมที่มาสัมผัสทางหูแล้วก็เข้า มาทางใจถ้าฟังแบบนี้แล้วก็จะได้รับอนิสงส์ก็คือจะทำให้ไม่มีความสงสัยคือระ ง, งับดับความรังเลยสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ได้จะทำให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นขึ้นมาอย่างแรงกล้าแล้วก็จะทำให้เกิดฉันทะวิริยะ เกิดความพอใจเกิดความยินดีที่จะนําเอาไปปฏิบัติต่อไปนี่คือการเสริมสร้างศรัทธาขึ้นมาในเบื้องต้นก็คือเราต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเรานําเอาไปปฏิบัติพอ ปฏิบัติแล้วปรากฏผลขึ้นมาก็จะทำให้เรามีความศรัท ธ, ธาอีกระดับหนึ่งศรัท ธ, ธาละอันระดับแรกนี้เราเรียกว่าอาจาระศรัท ธ, ธาคือศรัท ธ, ธาที่ยังมีวันเสื่อมได้แต่ถ้าเราได้สัตได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติเช่นในได้บรรลุมรรคผลนิพพานขั้นที่หนึ่งได้เป็นพระโสดาบัน ศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็จะไม่มีวันเสื่อมสลายไปแม้ว่าจะตายไปแล้วก็ตามแต่ศรัทธาที่มีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะฝังลึกอยู่ภายในใจทุกชาติทุกภพที่เกิดมาก็จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดได้เช่นพระโสดาบันนี้ ท่านไม่ลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนะท่านก็จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้บรรลุถึงคำทำขั้นสูงสุดได้ถ้าท่านตายไปก่อนท่านก็จะไปปฏิบัติ ต, ต่อในภพภพต่อไปไม่ต้องมีผู้สั่งสอนอีกแล้ว พรท่านมีธรรมะอยู่ภายในใจมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเห็นทางเห็นแผนที่แล้วมีแผนที่ติดตัวไปกับใจแล้วท่านก็จะเดินทางต่อไปได้เรื่อยจนในที่สุดก็จะถึงจุดหมายปลายทางก็คือได้ถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่เรียกว่า อาจาระัทธาคือจะสัทธาที่ไม่เสือ่อมจาระัทธานี้เป็นศรัทธาที่ยังเสื่อมอยู่เช่นพวกเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็เกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดฟังแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติตามพอเราไปได้ยินคนอื่นพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ เราก็อาจจะเกิดความลังเลไม่แน่ใจขึ้นมาได้เพราะว่าศรัทธาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังนี้ยังไม่ได้เป็นของแท้นั่นเองเพราะเรายังไม่เห็นของจริงเรายังไม่ได้เห็นธรรมะของพ่อพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรานำเอาคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรม เห็นอะไรเห็นอริยสัจสี่นี่เองเห็นว่าความทุกข์ใจของเราอยู่ในใจของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่คนนั้นคนนี้เช่นเวลาเราไม่สบายใจเรามักจะไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าทำให้เราไม่สบายใจแต่ความจริงคนนั้นคนนี้เขาไม่สามารถทำให้เราไม่สบายใจได้สิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจ ก็คือความอยากของเรานี่ความอยากที่ให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เราก็ไม่สบายใจเช่นเขาไม่ดีกับเราเราอยากจะให้เขาดีกับเราพอเขาไม่ดีกับเราเราก็ไม่สบายใจเราไม่รู้ว่าความไม่สบายใจของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาดีกับเรา ถ้าเราอยากจะให้เราสบายใจเราก็หยุดความอยากเสียเท่านั้นเองก็อย่าไปอยากให้เขาดีกับเราเขาจะดีไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีดวงตาเห็นธรรมเราจะไม่แก้ที่ความอยากของเราเราจะไปแก้ที่คนที่เราอยากเขาไม่ดีก็พยายามไปพูดไปคุยไปขอร้องเขาให้ดีกับเรา บางครั้งเขาก็ดีได้บางครั้งเขาก็ไม่ดีแต่ถ้าเราอยากจะสบายใจอย่างแน่นอนโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราก็เพียงทำใจเท่านั้นะว่าเราไปสั่งเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะรักเราหรือเขาจะเกลียดเรานี้เราไปห้ามเขาไม่ได้ดไไไดแต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์ไปกับเขาได้ด้วยการหยุดความอยากให้เขา ไม่ดีกับเราเท่านั้นเองนี่คือผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นอริยสัจ ส, สีเห็นว่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากของเราและการที่จะทําให้ความไม่สบายใจของเราดับไปเราก็ต้องหยุดความอยากการจะหยุดความอยากเราก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากหรือคนที่เราอยากให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไปสั่งเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้เช่นเรามีแฟนเราอยากจะให้แฟนอยู่กับเรานานๆเราก็จะไม่สบายใจเวลาไม่เห็นหน้าเขาเราก็จะกังวลแล้วว่าเอ๊เขาไปไหนเขาจะอยู่หรือเปล่าหรือเขาจะไปเล ย, เยก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา แต่ถ้าเราคิดว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เขาจะอยู่เขาจะไปนี่เราไปห้ามเขาไม่ได้เราต้องอยากไปอยากให้เขาอยู่กับเราเราต้องทําใจให้เป็นกลางให้ได้คือเขาจะอยู่ก็ได้เขาจะไปก็ได้ถ้าเราทําใจให้เป็นกลางได้เขาก็จะไม่ทําให้เราไม่สบายใจเขาอยู่เราก็สบายใจเขาไม่อยู่เราก็สบายใจ พอเรารู้ต้นเหตุของความไม่สบายใจของเราว่าไม่ได้อยู่ที่เขาอยู่ที่เราอยู่ที่ความอยากของเรานี่คือลักษณะของผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจะเป็นอย่างนี้พอเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่ไปแก้ความไม่สบายใจด้วยวิธีต่างๆบางคนไม่สบายใจก็ต้องไปหาหมอดูไปหาคนเข้าเจ้าเข้าทรง ให้เขาบอกวิธีแก้ความไม่สบายใจให้กับเราเขาก็บอกวิธีที่ไม่ถูกเขาก็บอกให้เราไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปตัดผมสั้นทำผมยาวเปลี่ยนไปก็เท่านั้นความไม่สบายใจมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพราะเราไม่แก้ที่ต้นเหตุของความไม่สบายใจคือความอยากดังนั้นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม จะไม่ไปทําบุญสะดอกเคราะจะไม่ไปหาหมอดูหมอเดาจะไม่ไปหาสินแสไปให้เขาดูห่วงจุย้ยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาดับความไม่สบายใจของเราได้ทําไปอาจจะทําให้เราสบายใจวันสองวันแล้วพอมันไม่ได้ดังที่เราอยากได้ความไม่สบายใจมันก็จะกลับมาใหม่อยู่ดีแต่ถ้าเรารู้จักทําใจ รู้จักหยุดความอยากของเราไม่ให้ไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้ใจของเราจะมีแต่ความสบายใจการที่เราจะมีความสบายใจได้เราต้องศึกษาความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างของคนเราต้องรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งสัตว์ทั้งบุคคล น, นี้เขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นเหมือนเดิมอยู่ ไปตลอดเวลาเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเช่นลูกของเราอย่างนี้เวลาเป็นเด็กก็ว่านอนสอนง่ายตัวเล็กๆอายุสองสามขวบบอกให้ทำอะไรก็ทำตามทุกอย่างแต่พอโตขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ชักจะสอนยากแล้วไม่ทำตามคำสั่งเพราะเขาเริ่มเป็นตัวเป็นตนของเขาเองแล้วพอเขาโตเต็มที่ ก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งไปสอนเขาได้อีกต่อไปเพราะเขามีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามศึกษาอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ศึกษาเราจะคิดว่าลูกของเราเป็นเหมือนเด็กสองขวบทั้งๆที่เขายุยี่0ิบก็ยังจะไปสั่งไปสอนเขาอยู่อย่างนั้นพอสั่งไปสอนแล้วก็ไม่ทาตามก็ไม่สบายอกไม่สบายใจ เพราะว่าเราโง่เราไม่ฉลาดเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเรายังคิดว่าสิ่งต่างๆยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เราเคยสั่งเขาได้เคยสอนเขาได้เราก็คิดว่าเรายังจะสั่งสอนเขาได้อยู่พอเขาไม่ทําตามที่เราสั่งเอสอนเราก็เสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้เพราะเราไม่ฉลาดเราไม่ศึกษาความจริง เราต้องมองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเปลี่ยนไปเหตุการณ์วันนี้สิ่งมันไม่เหมือนกับพรุ่งนี้เราจะให้วันนี้เหมือนกับพรุ่งนี้ไม่ได้พอพรุ่งนี้มันไม่เหมือนกับวันนี้เราก็ไม่สบายใจเพราะเราอยากจะให้มันเหมือนวันนี้เช <c oughs> ่นวันนี้เรามีความสุขพอพรุ่งนี้เราไม่มีความสุขเราก็ไม่สบายใจ เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆความสุขของเราก็เกิดจากการสัมผัสรับรู้กับเหตุการณ์ต่างๆเช่นวันนี้ร่างกายเราสบายเราก็มีความสุขเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่สบายร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็ไม่สบายใจแต่ถ้าเรามีปัญญามีความฉลาดเราก็ยังสามารถมีความสบายใจได้ ถ้าเรารู้ไว้ล่วงหน้าว่าร่างกายของเรามันไม่แน่นอนวันนี้มันสบายพรุ่งนี้มันอาจจะไม่สบายก็ได้พอมันไม่สบายเราก็รู้ว่าเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันหายไม่ได้เราก็อย่าไปทุกข์กับมันถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเราอยากให้มันหายพอมันไม่หายเราก็ทุกข์แต่ถ้าเราอยู่กับมันบอว่าเมื่อเรารู้ว่าเราสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ เราก็อย่าไปอยากให้มันหายมันจะไม่สบายก็ให้มันไม่สบายไปพอเรารู้อย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ใจของเราก็จะสบายเหมือนตอนที่ร่างกายสบายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือเรื่องของใจเพราะใจของเราไม่ได้เป็นร่างกายใจกับร่างกายนี้เป็นคนสองคนร่างกายเป็นน้องใจเป็นพี่ใจนี่แหละเป็นผู้ที่ดูแลร่างกายนี้ เป็นผู้ที่คอยให้อาหารคอยอาบน้ําให้ร่างกายอันนี้คอยแต่งเนื้อแต่งตัวคอยทำอะไรต่างๆให้กับร่างกายอันนี้แต่มีบางอย่างที่ใจไม่สามารถที่จะไปทำให้กับร่างกายได้ทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆได้เช่นเวลาร่างกายไม่สบายจะไปทำให้มันหายก็ไม่ได้ก็ต้องอาศัยอยู่อาศัยยาถ้ามียาที่ถูกกับโรค มันก็หายได้แต่ก็ต้องใจเย็นไม่ใช่กินปั๊บจะหายปุ๊บบางทีก็ต้องรอสองสามวันด้วยกันกว่าจะหายนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาทำความเข้าใจให้รู้ไว้ล่วงหน้าก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอเราอยู่กับเขาคนนั้นคนนี้ในวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่กับเขาก็ได้พรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้มาเลยนี้เขาอาจจะ ตายไปก็ได้หายไปก็ได้หรือเราอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่ต่อไปก็ได้เราอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ได้นี่คือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาคือความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงนี้มีตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามคำสั่งของเราได้ถ้าเรารู้ความจริงอย่างนี้ เราจะลดความอยากต่างๆลงไปเพราะเรารู้ว่าอยากไปก็เท่านั้นอยากไปก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เหตุการณ์ต่างๆเป็นไปตามความอยากของเราได้มีแต่จะสร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจให้กับเราไปเปล่าๆถ้าเราไม่อยากเราก็จะอยู่อย่างสบายใจกับเหตุการณ์ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปทางไหนเปลี่ยนไปในทางที่ดีก็รับได้ เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีก็รับได้เพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้เราเพียงมีแต่หน้าที่รับรู้มันไปเท่านั้นถ้าเรารับรู้แล้วมันจะไม่สะเทือนใจเรามันจะไม่ทำให้ใจเราไม่สบายแต่อย่างใดนี่คืออริยสัจสี่การมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความไม่สบายใจเกิดจากความอยากของเรา ความอยากของเราก็เกิดจากความโง่ของเราที่ไม่เห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจะไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆจะอยู่กับสิ่งต่างๆ พอรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีเจริญก็ต้องมีเสือ่อมมีเกิดก็ต้องมีดับนี่คือการที่มีดวงตาเห็นธรรมพอมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็จะเชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราปฏิบัติจนเห็นความจริงอันนี้เป็นคำสอนที่เป็นจริงนั่นเอง เมื่อคำสอนเป็นจริงคนที่สอนก็ต้องเป็นจริงเราไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดียเพื่อที่จะไปยืนยันว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้ถ้าเราได้มีดวงตาเห็นธรรมถ้าเราได้นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนได้เห็นผลเราก็จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเราจะไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้า และเราไม่สงสัยว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะบรรลุเป็นพระอริยสงสารกได้หรือไม่เพราะว่าเราผู้ที่ปฏิบัิ n ี้เราได้บรรลุแล้วนั่นเองเราได้เป็นพระโสดาบัานแล้วนี่คือความไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การที่มีศรัทธา ที่แน่วแน่ที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปไม่ว่าจะไปเกิดพบไหนชาติไหนก็ตามก็จะเชื่อจะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนอย่างนี้ต่อไปจนสามารถที่จะทําลายความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจทําลายความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้จนได้บรรลุเป็นพระอารหันตสาวก ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือศรัทธาที่จะนำให้เราได้พบกับสิ่งที่ดีที่งามที่พวกเราควรที่พยายามสร้างกันให้เกิดขึ้นให้ได้ด้วยการหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆสมัยนี้เราไม่ต้องมาวัดเราก็สามารถฟังเทศฟังธรรมได้ด้วยการมีสื่อทางเสียงเช่นแผ่นซีดี หรือเทปหรือวิดีโอหรือหนังสือธรรมะเราสามารถฟังได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามขอให้พยายามฟังให้มากๆเพระจะเกิดคุณเกิดประโยชน์มากจะทำให้เราเป็นเศรษฐีขึ้นมาภายในใจเราจะมีทรัพย์ภายในคือมีธรรมะทรัพย์ภายในนี้มีคุณค่ากว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกเป็นของชั่วคราว ตายไปเราเอาไปไม่ได้แต่ทรัพย์ภายในนี้เวลาเราตายไปเราเอาไปกับใจได้ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเสริมสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วดังเอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติแล้วผลอันดีอันเลิศ ที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับต่อไปการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลธนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันนาสุขาละโดยทั่วหน้ากันเธอ <c oughs>